สวัสดีนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะได้บรรยกาศมาร่วมนมัสการพี่น้องสบายดีไหมคะไม่ได้ยินเสียงเลยสบายดีไหมคะวันนี้สบายดีนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะหลายคนก็ตั้งใจนะคะมานมัสการพระเจ้าในรอบบ่ายนี้นะคะอย่างที่ขอบคุณสำหรับทีมนมัสการด้วยนะคะที่นำบทเพลงไพโ ร, ร บ, บทเพลงสาราเซนพระเจ้ามาสู่เรา โดวยเฉพาอย่างยิ่งเพลงที่เราได้ร้องไปเพลงสุดท้ายเพลงขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่เรารลลึกถึงขอบพระคุณพระเจ้าในชีวิตส่วนตัวของเราเองนะคะหัวข้อของการเผยพรชนะในวันนี้ท่านเองอยากจะให้เราทั้งหลายได้มีการที่จะขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับปีนี้ที่เป็นปีพิเศษด้วยเช่นเดียวกันไม่เพียงเฉพาะประเทศไทยนะคะแต่ทั่วโลกด้วยปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ500ปีการปฏิรูปศาสนามาเป็น นิกายโปรเตสแตนต์นะคะจึงมีการเฉลิมฉลองลํำลึกถึงการครบรอบ500ปีในสิ่งที่มาร์ตินลูเทอร์ได้ทำผู้ชนะที่เราอ่านไปนะะเป็นหัวใจหลักที่มาร์ตินลูเทอร์ใช้ในการปฏิรูปศาสนาเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะคีสศาสนาในโลกนี้มีด้วยกันสารนิกายหลักๆนะคะก็คือโรมันคาทอลิกออร์โธดอกซ์แล้วก็โปรเตสแตน สำหรับในประเทศไทยนะคะที่เรารู้จักกันดีก็จะมีสองนิกายนะคะก็คือนิกายโรมนันคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์นะคะคนที่อยู่ในนิกายโรมนันคาทอลิกเนี่ยผู้ที่ศรัทธานะคะก็จะเรียกตัวเองว่าคริสตังส่วนในคนที่อยู่ในนิกายโปรเตสแตนต์เนี่ยผู้ที่ศรัทธานี่นะคะก็จะเรียกตัวเองว่าคริสเตียนแต่ถ้าเรารวมกันนะคะเราก็จะเรียกว่าคริสเตชนเก่งมากเลยนะคะ ย้อนกลับไปเมื่อ500ปีที่แล้วนิกายโปรเตสแตนต์นี่นะครับแยกตัวมาออกจากแคทโทอลิกจุดเริ่มต้นนะฮะมาจากคนคนหนึง่งตัวเล็กๆคนหนึ่งนะฮะชื่อมาตินลูเทอร์นะฮะเาเป็นบาทหลวงนะฮะที่อยู่ในคณะออกคาสซิเนียนนะคะเขาได้เอาใบถแถลงการสองใบนะฮะที่มีข้อความยาว95ข้อเลยนไปติดที่ประตูพร ะ, พระวิหารออเซนนะคะในเมืองวิทเทนเบิร์กนะคะที่ประเทศเยอรม น, นีนะคะในวันที่31ตุลาคม 1517ปกติเรารู้จัก31ตุลาคมเป็นวันอะไรคะอู้จํากันแม่นเนาะทีนี้เราจำใหม่นะฮะนอกจากวันฮาลลูนวันที่ใหญ่กว่านั้นก็คือวันปฏิรูปาศาสนานั่นเองนะคะนี่อยากจะพาพวกเรากลับไป500ปีที่แล้วย้อนกลับไปในสมัยศตวรรษที่15เราย้อนอดีตกลับไปนิดนึงนะฮะตอนนั้นยังไม่เจริญแล้วเรามารู้จักกับผู้นําศานาแล้วก็สภาพชีวิต ของคนใน500ปีที่แล้วกันก่อนพี่น้องก็เวลานั้นนี่นะครับชีวิตประจําวันของคนที่อยู่ในประเทศยุโรปนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยครึ่งหนึ่งของเด็กที่เกิดมานะครับจะตายก่อนที่จะเป็นผู้ใหญ่ทําไมเพราะว่ามันมีโรคระบาดเยอะมากไม่มียารักษาไม่มีวัคซีนและที่สําคัญนะฮะนอกจากโรคระบาดแล้วเนี่ยเกิดการขาดแคลนอาหารไปทั่วยุโรปเลยนะคะ ดังนั้นเองคนที่ยากจนก็จนจริงๆมีชีวิตอยู่แค่วันต่อวันประทังชีวิตอยู่ไปแค่แต่ละวันเท่านั้นเองแต่ที่เมืองเมืองหนึ่งนะคะในประเทศเยอรม น, นีนะคะเมืองแมนเฟลนะคะเมืองนี้ก็มีวิถีชีวิตที่ดีกว่าเมืองอื่นๆขึ้นมาเล็กน้อยเพียงเพราะว่าเมืองเมืองนี้เมืองนี้เนี่ยมีเมืองทองแดงผู้จัดการเมืองคนหนึ่งนะคะชื่อฮันส์ลูเทอร์คนนี้เนี่ยนะคะเขาทํางานหนักจนกระทั่งมีฐานะดีแล้วเขาก็รู้ว่านะ ถ้าจะทําให้เมืองเจริญขึ้นประชาชนดีขึ้นต้องมีนักกฎหมายมาช่วยและฮันส์ก็มีความหวังนะเมื่อลูเทอร์เกิดมาเขาตั้งใจอยากจะให้ลูเทอร์เนี่ยลูกชายของเขาเองเนี่ยเป็นนักกฎหมายเป็นทนายความจะได้มาช่วยงานในเมืองช่วยลดปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นบ่อยๆและลูเทอร์ก็เป็นเด็กดีจริงๆนะฮะเขาเป็นเด็กที่เรียนเก่งนะคะ เขาเป็นความหวังของคุณพ่อนะคะสามารถเรียนจบเป็นญาตีเป็นยาโทเนี่ยในเวลาอันสั้นเลยนะคะแล้วเขาก็ไปเรียนด้านกฎหมายตามที่พ่อต้องการจริงๆด้วยแต่ปรากฏว่าบางอย่างเริ่มเปลี่ยนไปน ะ, ะเมื่อลูเธอร์เข้าไปเรียนกฎหมายนะคะประากฏว่าเขาเรียนเรียนไปแล้วเขาก็หยุดเรียนเลิกเรียนกฎหมายกลางคันเลยเขาเดินทางกลับมาบ้านนะคะมาบอกพ่อแล้วก็บอกว่าเขาไม่อยากเรียนกฎหมายเพราะวิชากฎหมายมันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อดังนั้นพวกเราคิดว่าพ่อของลูเธอร์เป็นไงคะ เขาโกรธแน่นอนคุณพ่อโกรธมากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าความหวังที่เขาฝากไว้กับลูเธอร์นี่มันพังทลายไปนะคะทำไมลูเธอร์เลือกเรียนกฎหมายสิ่งที่ลูเธอร์กังวลมากนะคะตลอดเวลาทาั้งๆที่ตัวเองเป็นคนที่เรียนเก่งนะคะก็คือความกลัวว่าตัวเองเป็นคนบาปจะทําอย่างไรที่เป็นคนบาปแล้วเนี่ยจะอยู่ต่อนหน้าพระพักพระเจ้าและทําให้พระเจ้าพอพระทยัยในคนบาปอย่างตัวเองได้ตลอดเวลา ดันั้นเองนะในวันนั้นที่เขาบอกกับคุณพ่อว่าผมจะเลิกเป็นทนายความผมจะเลิกเรียนกฎหมายนะขณะที่เขาเดินทางกลับที่พักของเขานะค่ำคืนนั้นลูเธอร์พบกับพายุใหญ่นะคะลูเธอร์ก็เหมือนกับพวกเราบางคนสมัยนี้เนะเาะแล้ก็เหมือนคนเราก็เหมือนคนสมัยโบราณเหมือนกันเวลาที่เราเห็นปรากฏการณ์ธรมธรมชาติที่มันรุนแรงเนี่ยเราจะจิตสํานึกของเราจะบอกทันทีเลยนะคะเราจะคิดถึงพระเจ้าทันทีเลย ในขณะที่ฟ้ากําลังร้องฟ้ากําลังผ่านะครับลูเธอร์ก็บอกกับพระเจ้าทันทีเลยนะคะว่าพระองค์เจ้าข้าหากพระองค์รักษาชีิตผมให้พ้นขําคืนนี้ไปได้ผมจะถวายตัวเป็นบาทหลวงเลยพี่น้องคิดว่าลูเธอร์พูดจบแล้วเกิดอะไรขึ้นคะพายุสงบหลังจากนั้นไม่กี่วันนะคะลูเธอร์ก็ตัดสินใจเดินเข้าอารามวาสีไปเป็นนักบวชในคณะออก์กาสติเนียนนะคะนั่นเขาจึงโยนความหวังทุกอย่างของพอ่อทิ้งไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะ คุณพ่อของลูเทอร์ก็เสียใจมากนะครับแล้วเขาก็มองว่าการเป็นนักบวชเป็นเรื่องที่ไรสาระไร้ประโยชน์ไม่ได้ช่วยเหลือครอบครัวเลยน่าสนใจมากนะ บ, บางครั้งเรามาเป็นคริสเตียนเราอยากจะถวายตัวรับใช้พระชาบังทีครอบครัวก็อาจจะไม่เข้าใจเราในเรื่องของการส่งเลี้ยงการตัดสินใจในการเป็นนักบวชของลูเทอร์นะฮะเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าใจของลูเทอร์นะฮะเต็มด้วยความกลัว เขากลัวพระเจ้าที่ทรงมหิตริตเขากลัวว่าเขาจะไม่สามารถรักษาชีวิตตามมาตรฐานที่สูงของพระเจ้าได้ลูเทอร์นะคะเป็นคนที่มีความละอายใจต่อ บ, บาปเนี่ยตลอดเวลากลัวพระเจ้ามากเวลาที่เขาต้องอธิษฐานอยู่ต่อนหน้าพระเจ้านะคะหรืออธิษฐานกับพระเจ้าเนี่ยเขาจะรู้สึกเหมือนคนตายทั้งเป็นยืนต่อนหน้าพระเจ้าคือกลัวมาก รู้เท่หวังนะคะว่าถ้าสมมติว่าเขาลงโทษตัวเองบ่อยๆทรมานตัวเองเยอะๆบางทีพระเจ้าอาจจะพอพระทยัยแล้วพระเจ้าอาจจะโปรโดปรานเขามากขึ้นก็ได้แต่ไม่ว่าเขาจะทรมานตัวเองมากขนาดไหนน ะ, ะเขาก็ยังรู้สึกละอายตบบาปต่อความเป็นคนบาปของเขาพวกเราต้องเข้าใจก่อนชีวิตในอารามวสีเดียนเขอเนี่ยใช้ศัพท์อารามวสีที่จริงอารามวสีปัจจุบันนะฮะห้าปีผ่านมา ก็คือโรงเรียนภัคกธรรมนั่นเองมีใครมาจากโรงเรียนภคกิทรมไหมคะพวกเรารู้จักพคกิทัมโรงเรียนรู้จักโรงเรียนภคิธรรมนะแต่ว่าโรงเรียนพัคิิทรมสมัยนี้ไม่เหมือนกับสมัยเมื่อ500ปีที่แล้วไม่เหมือนอารมามบสีถ้าจะให้เทียบเนี่ยอาจจะต้องเทียบกับโรงเรียนวิทยาลัยแสงธรรมของคาทอลิกนะฮะที่อยู่ที่นครปฐมที่นั่นเคร่งครัดมากในสมัยนั้นนะฮะ500ปีที่แล้วนะครับบาดหลวงทุกคนนะที่บวชแล้วนะฮะโกนบวชแล้วเนี่ยนะฮะที่หัวนี่นะคะ ห้องนอนเนี่ยเขาจะนอนรวมกันนะคะเป็นห้องโถงใหญ่แล้วทุกคนบาทหลวงจะนอนรวมกันแต่ว่าทุกคนจะมีห้องเล็กๆส่วนตัวโอ้ขอบคุณมากนะสําหรับสไลดห้องนี้นะคะเป็นห้องเล็กๆทุกคนจะมีห้องเล็กๆส่วนตัวห้องนี้จะใช้เป็นห้องสําหรับอธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์กับพระเจ้าทั้งวันทั้งคืนอยู่ที่นี่นะฮะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่นี่ดังนั้นเราจะเห็นว่าชีวิตในอารามวสีให้คุณค่าของการติดสนิท เฝ้าเดียวอ่านผู้ชนะมากกว่าช่วยที่สะดวกสบายเพราะแม่แต่ห้องนอนก็ยังต้องนอนรวมกันดังนั้นนะทุกครั้งนะที่ลูเธอร์เขากลัวและสำนึกว่าตัวเองเป็นคนบาปเนี่ยพวกเราทราบไนะหมลูเธอร์ทำอะไรลูเธอร์จะเอาลูกตุ้มนะสายเป็นหนังลูกตุ้มสั้นๆนะฮะแล้วเขาก็จะเอาลูกตุ้มทุบตัวเองโยนไปข้างหลังทุบตัวเองทุบตัวเองนะบางครั้งลูเธอร์ก็จะทรมานตัวเองโดยการอดอาหารอธิษฐานหลายเลยวันบางครั้งในฤ ด, ดูหนาวนะหนาวมากมเลยที่ประเทศเยอรม น, นี ลูเทอร์ก็จะนุ่งน้อยห่มน้อยนะก็คือไม่ไม่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตหนาๆ น, นะแต่จะใส่ธรรมดานะแล้วก็เดินออกไปเดินนอกอารามนะรับเดินไปอธิษฐานไปเขาคิดว่าการทรมานตัวเองแบบนี้นะคบจะช่วยทำให้ความรู้สึกละอายต่อบาปลดน้อยลงแตะ่จะทำให้พระเจ้าเนี่ยมองว่าเขาเป็นคนชอบธรรมมากขึ้นลูเทอร์เป็นคนซีเรียสนะเป็นคนจริงจังมากเลยนะแต่เขาแสวงหาพระเจ้า เขารู้สึกว่าเขาบาปตลอดเวลาไม่เข้าใจพระเจ้าเขากลัวพระเจ้ามากดังนั้นเองความรู้สึกนี้นะครับทำให้ลูเทอร์กลายเป็นคนนอนไม่หลับเขาถามเสมอนะคะว่าเอ๊ะผมทำตามทุกอย่างที่คณะเรียกร้องหรื อ, อยังทำทุกอย่างตามที่คิดจากเรียกร้องหรื อ, อยังผมอธิษฐานถูกต้องหรือเปล่าทำแบบนี้หรือว่าจะต้องตกนรกมีอะไรที่ต้องทามากกว่านี้อีกนี่เป็นปัญหาของลูเทอร์นะเขาไม่เชื่อว่า การสลรภาพบาปหรือสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วนี่นะคะจะทำให้พระเจ้าพอพระไทยได้เลยก็เลยเดือดร้อนที่ปรึกษานะรุ่นพี่ของนะ Stop it. Stop it. ลูเทอร์เนี่ยสตอปิดรู้สึกว่าโอ้ลูเทอร์นี่นะคบเป็นหนักสตอปิดดุนใจลูเทอร์ว่าเวลาที่เราอาธิษฐานสลรภาพบาป ก, กับพระเจ้านี่นะคะการอาธิษฐานต้องนำไปสู่การปลดปล่อยภาระหนักในใจทาให้เราได้รับการอภัยโทษบาป แต่ลูเทอร์รู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจเรื่องนี้เลยดังนั้นเองนะคะลูเทอร์เนี่ยขณะที่บาทหลวงคนอื่นใช้เวลาอยู่ในห้องอธิษฐานเนี่ยไม่กี่นาทีก็ออกจากห้องอธิษฐานแล้วนะคะออกไปข้างนอกแล้วน ะ, ะแต่ลูเธอร์ใช้เวลาหลายชั่วโมองมากเราต้องเข้าใจก่อนคิดจากโรมันคาทอลิกเขาจะมีห้องสารภาพบัปคือห้องเมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยนะคะอีกด้านหนึ่งของห้องเนี่ยจะเป็นช่องเล็กๆๆ เ, เ, เป็นรูๆด้านหลังของช่องนี้เนี่ยจะมีบาทหลวงอีกคนหนึ่งนั่งอยู่ บาดหลวงคนที่นั่งอยู่เนี่ยจะฟังคนที่มาสา ร, รภาพบาปดังนั้นบาทหลวงคนที่นั่งฟังลูเทอร์สารภาพนี่ต้องทํางานหนักมากเพราะต้องฟังลูเทอร์สารภาพบาปหลายชั่วโมงเลยบางครั้งลูเธอร์สารภาพบาปหลายชั่วโมงเสร็จแล้วนะฮะเขาเดินออกไปอย่างห้องเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็วิ่งกลับเข้ามาเพราะเขานึกได้ว่ายังมีเรื่องอีกนิดหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้สา ร, รภาพต้องกลับมาสา ร, รภาพบาปต่อนั่นคือลูเทอร์ดังนั้นเองนะครับ แม้ว่าลูเทอร์นะเป็นคนที่เรียนเก่งเรียนดีนะครแต่ว่านี่เป็นความรู้สึกที่รุมราวใจของเขานะครับแล้วก็จนกระทั่งนะครับการเรียนที่อารามวสีสองพีจบไปนะครับลูเทอร์ก็ได้รับการแต่งตั้งสถาปนาเป็นบาทหลวงจริงๆในวันที่เขาได้รับการแต่งตั้งสถาปนาเป็นบาทหลวงเป็นวันที่เขากลัวพระเจ้ามากที่สุดเลยในชีตจิตสํานึกของลูเธอร์ประนามเขาอีกครั้งหนึ่งว่าเขาเป็นใครเล่า เขาเป็นคนที่เลวสามทำอย่างไรทำไมถึงได้ยืนต่อนหน้าพระพักพระเจ้าได้แบบนี้เขาเป็นแคบเท่าทุลีที่เต็มด้วยความบาปแต่กำลังจะได้พูดกับพระเจ้าที่เที่ยงแท้และทรงผระชนผู้ยิ่งใหญ่ได้อย่างไรพี่ดองคะในฐานะบาทหลวงลูเทอร์คิดว่าตัวเองมาถึงจุดสูงสุดของชีวิตแต่สำหรับพ่อของลูเทอร์นะคบมึงว่าการที่ลูเทอร์มาเป็นบาทหลวง ไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่มาจากมารลายส่วนเพื่อนๆของลูเทอร์ก็มองว่าลูเทอร์เนี่ยเรียนเก่งมากเป็นบาดหลวงที่มีชีวิตที่ดีมากลูเทอร์ก็เลยได้รับการเลือกตั้งนะเป็นผู้แทนจากเพื่อนๆเดินทางไปที่กุงโรมพี่น้องคะการเดินทางไปที่กรุงโรมนะคะในสไลด์ถัดไปนะเป็นการเดินทางด้วยเท้าของลูเทอร์นะฮะหนพอกิโเมตรยาวมาก ระยะทางยาวมากเราต้องเข้าใจว่าณนะเวลานั้น น, นะคะห้ารอยปีที่แล้วกรุงโรมเป็นศูนย์กลางของศาสน า, ศาดังนั้นเนี่ยกรุงโรมน่าจะเต็มด้วยผู้นำที่เคร่งคัดศาสนาต้องอีกสไลน์หนึ่งนะแล้วก็แต่ปรากฏว่าเมื่อรูเทอร์ไปถึงที่นั่นแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาช็อกเพราะกรุงโรมเต็มไปด้วยซองโสเภณี โลมเต็มไปด้วยขอทานเต็มเมืองเลยแล้วก็ไม่มีใครจริงจังกับพระเจ้าดังนั้นเองนะครับลูเทอร์เริ่มไม่มั่นใจในคำสอนของาศาสนาจักรเขาเดินทางจากโลมไปถึงโลมทำธุรกิจเสร็จแล้วก็กลับมาที่เยอรม น, นีตอนนี้กลับมาพร้อมกับความทุกข์หนักใจมากยิ่งรู้สึกว่าโลมที่เป็นศูนย์กลางของาศาสนาทาไมชีวิต ผู้นําถึงตกต่ำแบบนี้สภาพเมืองตกต่ำมากขณะ น, นี้ยิ่งทุกข์ใจพี่เลี้ยงของลูเทอร์นะคะซาวปิดนะครั บ, รบก็เลยคิดว่าจะทํายังไงให้ลูเทอร์ออกจากความกังวลใจแบบนี้นะคะซาวปิดก็เลยเสนอว่าลูเทอร์น่าจะไปเรียนต่อปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยที่วิทนเบิร์กนอกจากเรียนปริญญาเอกนะคะซาวปิดยังเสนอและเตรียมทางให้ลูเทอร์ได้เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยด้วยและเป็นนักเทศประจําคิดจักด้วย ที่เมืองวิเทนเบิร์กนะคะที่เยอรมันในเวลานั้นนะคะเป็นเมืองเล็กๆค่อนข้างเงียบมหาวิทยาลัยก็เพิ่งเปิดยังไม่เป็นที่รู้จักกันดีแต่ เ, เมืองนี้เริ่มเปลี่ยนไปในปี1517ปีนี้2017ใช่ไหมคะ500ปีย้อนหลังไป1517เมืองนี้เปลี่ยนไปนะก็เพราะว่าในสไลด์ถัดไปเราจะเจอหน้าคนคนนี้นะคะ เมืองนี้เปลี่ยนไปเมื่อบาดหลวงคนหนึ่งนะฮะชื่อว่าจอห์นเทสเซลเขาผ่านมาที่นี่เขามาเทศนาหาทุนในสไลด์ถัดไปนะจอห์นเทสเซลมาที่นี่นะคะมาเทศนาหาทุนอะไรคะคําเทศนาของเทสเซลนี่เองนะคะเป็นจุดขัดแยง้งสูงสุดเลยนะฮะเทสเซลบอกกับคนในเมืองนี้นะครับเขายื่นเอกสารขึ้นมาใบหนึ่งนะคะแล้วเขาก็บอกว่านี่คือใบหลังบา นี่คือใบพระคุณการุณถ้าใครซื้อใบนี้แล้วใบนี้จะสามารถกำจัดบาปของพวกเขาได้คำเทศนาแบบนี้นะฮะล่อใจคนในเมืองมากโดยเฉพาะสมาชิกที่ไปโบสถ์ที่ลูเทอร์อยู่สำหรับลูเทอร์นะคะอันนี้เท่ากับคำสอนว่าความรอดมีไว้เพื่อขายขนบคำสอนของคิดจักร ในเวลานั้นนะครับในยุคกลางเวลานั้นนะคะ บ, บอกว่าการสารภาพบาปต่างกับใบพระคุณการุณยสอนว่าการสารภาพบาปคือการที่จะแก้ไขปัญหาชีวิตในด้านศีลธรรมของมนุษย์พระเจ้าเนี่ยไม่ยอมรับบาปแต่การสารภาพบาปกับบาทหลวงจะนําไปสู่การอภัยโทษบาปและได้เริ่มต้นใหม่กันนั้นก็ตามมีกันนั้นก็ตามนะคะ ผู้ที่สารภาพบาปเสร็จแล้วนี่นะครับก็ยังจะต้องตกอยู่ในแดนชำระอีกหลายปีเลยนะครับกว่าจะได้ไปสวรรค์พี่น้องคะที่ริงนี่เป็นคำสอนที่ไม่ได้มาจากพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์ไม่มีคำสอนเรื่องแดนชำระคำสอนเรื่องแดนชำระปรากฏอยู่ในนวนิยายของดันเต้ดังนั้นเองเราจะเอาข้อความในนวนิยายมาเป็นหลักคำสอนหลักข้อเชื่อของคริสเตียนไม่ได้ดังนั้นใบพระคุณกาลุนที่ จอห์นเทเซลเสนอนี้นะคะจึงเป็นทางลัดให้กับชาวบ้านสำหรับลูเทอร์นะะใบนี้จึงเป็นการขู่กันโชคนั่นเองลูเทอร์มองนะคะว่าเรื่องนี้ขัดกับหลักข้อเชื่ออย่างชัดเจนลูเทอร์เห็นความไม่ซื่อสัตย์นะคะของผู้นำที่กำลังหลอกลวงคนยากจนนะคะคนที่ทุกข์ยากอยู่แล้วนะคะ คอร์รัปชันนะครับเป็นปัญหาไม่ใช่แค่ระดับท้องถิ่นแต่ว่ารากของปัญหาคอร์รัปชันโยงกลับไปถึงกรุงรงเหตุผลอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการปฏิรูปศาสนาในเวลาต่อมานะครับเพราะว่าทุกคนรู้อยู่ในใจว่ามันมีคอร์รัปชันแต่ว่าที่ผ่านมาไม่มีใครกล้าทำอะไรดังนั้นเองนะในปีหนึ่งนะคะถ้าเราจะดูรูปต่อไปนะครับ เราจะเห็นภาพของอันนี้จะเป็นพระวิหารเซนต์ปีเตอร์นี่ภาพปัจจุบันนะฮะถ้าเราดูภาพต่อไปอีกภาพหนึ่งจะเป็นภาพในพระวิหารในกรุงวาติกันสวยไหมคะนี่ถ่ายจากมือถือสวยนะยิ่งใหญ่มากตอนนั้นยังไม่ได้สร้างนะคะตอนนั้นยังไม่ได้สร้างแต่ว่าผู้นำนะฮะคือโป๊ปลีโอที่สิเนี่ยตั้งใจจะสร้างแต่ว่าโป๊ปลีโอที่สิไม่มีเงินดังนั้นจะมีเงินได้ก็ต้องหาทุนโดยการ ขายใบพระคุณกรุณหรือใบล้างบาปและประโกมไม่มีใครขายเก่งเท่าจอนเทสเซลเทสเซลขายอย่างไม่มีความละอายใจเลยนะเทสเซลบอกกับชาวนาว่าญาติญาติของคุณญาติญาติของเธอที่อยู่ในแดนชำระเนี่ยเขากำลังร้องข้ามขวรอยู่ในแดนชำระเพียงแค่คุณหยอดเหรียญลงในกล่องดังกลิ้งหนึ่งกลิ้งเนี่ยคุณพ่อก็ได้ปลดปล่อยหลุดจากแดนชาระ ถ้าใส่อีกหนึ่งกลิ้งแม่ก็ปลดออกจากแดนชำระใส่อีกหนึ่งกลิ้งลูกก็หลุดจากแดนชำระถ้าเป็นเราเราหยอดไหมเราก็คงจะหยอดนะงะนั้นคําเทศนาของเทสเซลนะโน้มน้าวใจชาวนาที่ยากจนให้ควักเงินเหรียญสุดท้ายของชีวิตของตัวเองนะครับเพื่อช่วยเหลือจิตวิญญาณญาติพี่น้องของตนเองดทัศนะของลูเทอร์นะคาเทศนาแบบนี้นะครับ เป็นการทำให้คนนี้ยิ่งห่างเหินจากพระเจ้าครั้งหนึ่งนะฮะดียนขออนุ ญ, ญาตแปลคำของลูเทอร์นะฮะลูเทอร์พูดแบบนี้ว่าลูเทอร์เขาโต้กลับนะครับจอห์นเทเซลนะบอกว่าทำไมโป๊บไม่สร้างพระวิหารนักบุญไปโต้ด้วยเงินของพระองค์เองล่ะพระองครร์รวยกว่าใครรวยกว่าโครซัสอีกโครซัสเป็นเจ้าชายมือคนหนึ่งนะคะผมว่าโป๊บเนี่ย ควรจะขายพระวิหารนักบุญเปโตสซะแล้วก็เอาเงินนั้นนะ่ะมาแจกจ่ายให้กับคนยากจนที่ถูกขู่กันโชคจากนักเทศเสศวะที่เร่ขายใบพระคุณการุณอยู่ลูเธอร์ใช้คำแรงมากเลยนะเราต้องเข้าใจเพราะว่าเหตุการณ์มันรุนแรงมากดังนั้นเองนะฮะลูเธอร์เขาก็เลยเปิดเสวนานักวิชาการขึ้นมานะฮะด้วยเรื่องนี้นะครับหลังจากเสวนาแล้วลูเธอร์ก็เขียนคาแถลงการแล้วก็ไปแปะที่หน้าพระวิหารเลยนะครับ ที่ตรงนี้นะเราจะเห็นภาพบางคนอาจจะบอกว่าลูเทอร์ไม่ได้ติดใบถแถลงการจริงๆนะแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นที่เราจะพูดถึงวันนี้นะในใบถแถลงการ95ข้อนะลูเทอร์ไม่ได้ตั้งใจที่จะแยกตัวเองออกมาเป็นโปรเตสแตนต์นะคะลูเทอร์ต้องการที่จะให้สาธารณชนรับรู้นะครับไม่เห็นด้วยกับคําสอนที่ไม่ถูกต้อง ของศาสนาจักรในเวลานั้นและลูเธอร์ตั้งใจเพียงแค่ใจะให้โปบเลียวที่10นะคบยกเลิกการขายใบพระคุณกาลุนและยกเลิกคำสอนที่ไม่ถูกต้องคำสอนที่ขัดจากพระคัมภีร์ดังนั้นนะพระสันตปะปาบานะะพวกเราต้องเข้าใจในเวลานั้นเนี่ยเป็นประมุขสูงสุดของศาสนาจักรเลยนะมีอำนาจมากสามารถปลดเจ้าชายด้วยก็ได้นะคะแต่ปรากฏว่าการกระทาของมาตินลูเทอร์ การติดใบถแถลงการนี้นะครับจึงเป็นการท้าทายอำนาจสูงสุดอำนาจของพระสันตะ ป, ปาปาที่ขัดแย้งกับคาสอนของพระคัมภีร์ลูเทอร์มองว่าแม้คำสอนนั้นมาจากบุคคลสูงสุดแต่หากไม่ถูกต้องตามพระคัมภีร์คำสอนของผู้นำสูงสุดก็ไม่ถูกต้องด้วยเขากล้ามากเลยนะะกล้าแตกต่าง ลูเธอร์ถือว่าการขายใบล้างบาปเป็นการหลอกลวงประชาชนที่ไม่มีความรู้ที่ถูกต้องในพระคัมภีร์เรื่องนี้น่าเห็นใจมากผู้เราทราบไหมคะพระคัมภีร์ในสมัยก่อนเราเรียกพระคัมภีร์ในภาษาอังกฤษเราเรียกพระคัมภีร์ว่าอะไรคะโฮลี่ไบเบใช่ไหมคะเพราะโฮ l y มากคนสามัญชนไม่มีสิทธิ์อ่านโฮ l y มากมีเฉพาะนักบวชเท่านั้นที่ได้อ่านและในเวลานั้นนะคะพระคัมภีร์ถูกเขียนเป็นภาษาลาติง จึงมีนักบวชที่รู้ภาษาลาตินดีๆอีกเพีงไม่กี่คนที่จะสามารถอ่านพระคัมภีร์ได้อย่างเข้าใจอย่างทองแท้ดังนั้นคนที่รู้พระคัมภีร์อย่างเข้าใจดีจึงมีวงจํากัดเท่านั้นเองพี่น้องคะในช่วงแรกพรสันตปาปาก็ไม่สนใจลูเทอร์นะครับคิดว่าเป็นบาทหลวงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแต่บอกว่าต้องขอบคุณพระเจ้าอีกแล้วในเวลานั้นเองนะครับมีคนคิดแท่นพิมพ์ขึ้นมา เราเรียกว่าแท่นพิมพ์ของเมืองคูเทนเบิร์กแท่นพิมพ์นี้นะคะเวลามีแท่นพิม์ใช่ไหมมีต้องมีนักหนังสือพิมพ์ใช่ไหมคะนักหนังสือพิมพ์จะเอาอะไรมาพิมพ์ก็ต้องไปหาเรื่องเด่นๆมาพิมพ์เขาก็เลยไปเอาเรื่องของลูเทอร์นี่แหละค่ะมาพิมพ์เมื่อพิมพ์ผ่านแท่นพิมนะครับความคิดของลูเทอร์จึงกระจายไปทั่วประเทศเยอรมนีอย่างรวดเร็วภายในเวลาอันสั้นมากปู่บอกว่าลูเทอร์อ่านเอกสารนะคะหนังสือพิมพ์มาถึงเขาอ่านแล้วก็บอกนี่มัน ข้อเขียนของชั้นนี่ดังนั้นนะคนที่ได้อ่านข้อเขียนของลูเธอร์ก็เลยคล้อยตามความคิดของลูเธอร์อย่างรวดเร็วนะครับดังนั้นเองพวกเราคิดว่าเมื่อคนคล้อยตามเยอะๆเกิดอะไรขึ้นคะยอดขายใบพระคุณกาลุณตกลงอย่างรวดเร็วยอดขายดรอปลายได้ตกลงอย่างรวดเร็วเลยนะคะในที่สุดนะฮะพระสันตัรเรื่องก็ถึงกรุงโรมนะพระสันตประปานะครับ เลยสั่งให้มีการสอบสวนมาตินลูเทอร์นะคะแล้วก็ลูเทอร์ได้รับการสอบสวนจากพระคาร์ดินัลนะคะที่มาจากกรุงโรมนะคะส่งพระคาร์ดินัลมาสอบสวนขอลูเทอร์ให้ถอนคําสอนซะแต่ลูเทอร์ไม่ถอนและนอกจากนี้นะครับกรุงโรมสั่งให้เอาตัวลูเทอร์กลับไปที่กรุงโรม ต้องขอบคุณพระเจ้าอีกนะพระเจ้าก็ส่งนะมีเจ้าชายองค์หนึ่งนะครับเจ้าชายเฟดอลิกที่สามนะครับแห่งแคว้นเซกโซนีนะครับคุ้มครองโดยการไม่ส่งลูเทอร์ให้ไปที่กรุงโรมเพราะรู้ว่าถ้าส่งไปลูเทอร์ตายแน่ดังนั้นนะกรุงโรมก็เลยมีจดหมายนะมาถึงลูเทอร์ที่เยอรม น, นีนะคะอปเปฮิลูเทอร์ออกจากการเป็นบาทหลวงแทนที่ลูเทอร์ได้จดหมายอปเปฮิจะตกใจนะลูเอร์ทำอะไรคะ เผาจดหมายอภปหิการเผาจดหมายนี่นะเป็นการท้าทายอำนาจของพระสันตปะปาปาอย่างรุนแรงนะคะแต่ว่าลูเทอร์ก็สามารถรอดพ้นจากการถูกจับได้อีกนั่นเองนะเพราะว่าเจาก้กัันชาวที่ห้านในเวลานั้นนะคะก็ขอคุ้มครองลูเธอร์นะครับแล้วก็เรียกลูเทอร์สอบสวนเองเจก้กัันชาวก็บอกลูเทอร์ให้ทอนคำสอนอีกเหมือนกันลูเธอร์ขอคิด24ชั่วโมง เขาไปอธิษฐานนะี่าค่ำคืนกับพระเจ้าในค่ำคืนนั้นวันนั้นทั้งวัน น, นมากเขากลับมาหาเจ้าพระชาวแล้วก็บอกว่า h ฮ r e I อ t a n d ผมขอยือนที่นี่ผมไม่ถอนคำพูดไม่ถอนคำพูดที่ว่าคำสอนของผู้นำสูงสุดถ้าผิดจากพระคำพีคำสอนนั้นก็ไม่ถูกต้องการปฏิเสธของลูเธอร์ต่อหน้าเจ้าชายชาวทีห้่าครั้งนี้นะสิ่งชีวิตมากกว่าครั้งที่แล้วเพราะว่า เจ้าชายชาวที่หนะคะตัดสินลูเทอร์นะฮะเป็นพวกสอนผิดสอนเท็จทันทีและเป็นพวกที่ทําผิดกฎหมายบ้านเมืองด้วยแต่ว่าเจ้าชายชาวที่ห้าไม่ได้จับกลุ่มลูเทอร์ทันทีขอบคุณพระเจ้าประชาชนสนับสนุนลูเทอร์ดังนั้นเจ้าชายชาวที่ห้าถ้าจับลูเทอร์ทันทีก็คงจะเกิดเหตุวุ่นวายเขาก็ปล่อยให้ลูเทอร์กลับบ้านไปวันนั้นเอง ขณะที่เขาเดินทางกลับบ้านไปลูเธอร์ก็ถูกเพื่อนมาอุ้มลักพาตัวไปอยู่ที่ปราสาทแห่งหนึ่งเพราะว่าเวลานั้นลูเธอร์ไม่ปลอดภัยแล้วลูเธอร์ถูกลักพาตัวไปที่ปราสาทแห่งหนึ่งนะคะที่ปราสาทวาคบวกอยู่ในป่าลึกๆออกเสียงยากหน่อยนะพี่น้องคะเกิดอะไรขึ้นคะที่นั่นลูเธอร์อยู่ที่นั่นนะครับและเขาทํากันแปลพระคัมภีร์ภาษาลาตินเป็นภาษาเยอรม น, นี เป็นภาษาที่ชาวบ้านอ่านได้เขาสามารถแปลพันธสัญญาใหม่กี่เล่มคะ27บเ็ดเล่มเสร็จภายในเวลา11สัปดาห์เท่านั้นเอง11สัปดาห์ก็ประมาณเกือบเกืบาเดือนนั้นนับเป็นครั้งแรกนะฮะที่อย่างเป็นทางการที่เรามีพระคัมภีร์ภาษาสามัญซึ่งในเวลานั้นให้คนเยอรมันก็เป็นภาษาเยอรม น, นีนะเป็นภาษาท้องถิ่นเป็นครั้งแรกนะคบ เปิดโอกาสให้สามัญชนได้อ่านพระคัมภีร์ด้วยตัวเองทําความเข้าใจพระคัมภีร์ด้วยตัวเองไม่เพียงแค่ฟังคําเทศนาที่คิดจักรแต่สามารถทราบซึ้งกับพระวจนะได้ด้วยตัวเองและสามารถที่จะเช็คคําสอนที่สอนในคิดจักว่าถูกต้องตามพระคัมภีร์ด้วยไหมดังนั้นเองนะฮะต่อมานะะในปีหนึนห้าร้อเนี่ยเยนพูดประวัติศาสตร์นิดหนึ่งนะคะลูเธอร์ก็ได้รับคําสั่งยกเลิกนะครับข้อกล่าวหาที่ว่าเขาเนี่ย เป็นผู้สอนเท็นะครับเจ้าฟ้าชัยชาก็ยกเลิกคำสั่งนั้นนะคะพี่น้องคะ่ะชีวิตของลูเทอร์นะเป็นแบบอย่างที่ดีมากเขาเป็นแบบอย่างที่ดีอะไรประการแรกลูเทอร์ไม่เพียงแต่เป็นนักอ่านพระคัมภีร์นะฮะเขาเอาคำสอนในพระคัมภีร์ออกมาปฏิบัติด้วยอย่างที่บอกไปตอนต้นในยุโรปเวลานั้นเนี่ยมีโรคระบาดเยอะลูเทอร์นะครับไม่รังเกียจคนที่ติดโรคระบาด ทั้งลูเธอร์ภรรยาและเพื่อนๆกลุ่มที่สนับสนุนเขานะครับช่วยคนที่ติดโรคระบาดมากมายในเวลานั้นดังนั้นลูเธอร์จึงเป็นแบบอย่างที่ดีของการรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองลงมือปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้าจริงๆประการที่สองนะครับสิ่งที่ลูเธอร์เป็นแบบอย่างที่ดีมากก็คือว่าเขาไม่ได้ติดตามคําสอนผิดของผู้นําสูงสุดแต่เขาติดตามคําสอนขององค์พระเยซูคริสต์เขาจึงได้รับสันติสุขจากพระเจ้านะครับ ลูเธอร์รู้สึกได้รับสันติสุขเขาหลุดพนะ้นเพราะว่าชนะของพระเจ้าทำให้ลูเธอร์หลุดพน้นจากความรู้สึกผิดที่คิดว่าไม่มีใครสามารถเป็นคนชอบธรรมต่อหน้าพระพักพระเจ้าได้พี่น้องคะคริสเตียนต้องเข้าใจแก่นคำสอนที่แท้จริงแก่นคำสอนที่ถูกต้องไม่ใช่เปลือกความรดมาจากความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ไม่ใช่มาจากความประพฤต ดังนั้นเองนะและความรอดก็ไม่ได้มาจากการซื้อใบไถ่บาปเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนสิ่งที่เดนพูดเป็นเรื่อง500ปีที่แล้วปัจจุบันคิดจักรลุมานคาเทลิกไม่มีขายใบไถยบาแบบนี้แล้วนะคะดังนั้นเราต้องแยกแยะได้ถ้าวันนี้มีคำสอนผิดเข้ามาในคิดจกักรเราแยกแยะได้ไหมถ้าวันนี้ผู้นำในคิดจกักรสอนไม่ตรงกับพระคัมภีเราแยกแยะได้ไหมคาตอบคือได้ ทำไมถึงได้เพราะว่าเรามีพระคัมภีร์ที่เราเองก็สามารถที่จะอ่านเล็กเข้าใจได้ด้วยประการที่สานะคะสิ่งที่ลูเทอนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเราก็คือลูเทอมีชีวิตแห่งการอธิษฐานลูเทออธิษฐานกับพระเจ้าอย่างสม่ําเส ม, สมออธิษฐานทุกวันและอธิษฐานจริงๆ จ, จังๆกับพระเจ้าทําให้เขารู้จักและมีสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้ามาคริเสเตนก็เหมือนกันนะคะชีวิตของการอธิษฐานเป็นชีวิต ที่สําคัญมากประการที่4นะครับลูเธอร์ได้รับสันติสุขนะครับจากการอ่านพระวจนะของพระเจ้าเราเองเช่นเดียวกันนะพระวจนะของพระเจ้าจะนําสันติสุขมาให้กับเราการอ่านพระวจนะของพระเจ้านะทําให้ลูเทอร์เข้าใจเรื่องความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เดี๋ยวจะอ่านพระธรรโรมบทที่สข้อที่ 23- 26ให้เราฟัง เป็นตอนหนึ่งเป็นผู้วิชนะตอนหนึ่งที่ลูเธออ่านแล้วอ่านอีกจนเขาเข้าใจในเรื่องความชอบธรรมรวมบทที่3มข้อยีถึงยีกล่าวว่าเพราะว่าทุกคนทําบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงมีพระคุณให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าโดยที่พระเยซูคริสทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้วพระเจ้าทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์ความเชื่อจึงได้ผล ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้าในการที่พระองค์ได้ทรงอดกั้นพะไทยและทรงยกโทษบาปที่ได้ทำไปแล้วนั้นข้อ26กและเพื่อจะสําดงในปัจจุบันนี้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรมและทรงให้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมด้วยนี่เองนะเป็นพหชนะที่ทำให้ลูเทอร์มั่นใจว่าเขาไม่ต้องละอายต่อบาปอีกต่อไปเดี๋ยวนี้เขาเชื่อในพระเยซูซึ่งเขาเชื่อมาตั้งนานแล้ว เขาเป็นคนชอบทำจำเพาะพระพักพระชาติได้ผ่านองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องคะพระวจนะของพระเจ้านะครับได้รับการแปลนะลูเธอร์แปลพระวจนะของพระเจ้าเป็นภาษาชาวบ้านธรรมดาธรรมดาและปัจจุบันนี้นะคะต้องขอบคุณพระเจ้านะครับแต่และประเทศมีพระคัมภีร์ที่เขียนเป็นภาษาของตัวเองแล้วทุกคนสามารถอ่านและเข้าใจได้เราสามารถเพิ่มความเข้าใจผ่านคําเทศนาในกิด จ, จักจากการอ่านพระคัมภีร์ด้วยตัวของเราเอง เพราะว่าชนะของพระเจ้ามีฤทธิ์เดชพี่น้องคะต่อมานะลูเธอร์ก็ออกจากการเป็นนักบวชแล้วก็ได้แต่งงานนะคภะภรรยาของเธอก็คือนางแคทลีนาบอนบอนวอนโบรานะคะเเป็นอดีตแม่ชีใน uh, ในสังกัดของขิจักแคทอลิกนะคะและทั้งคู่ก็มีลูกด้วยกัน6คนแล้วก็จากเหตุการณ์ตรงนั้นนะคบที่ไม่ตั้งใจจะแยกตัวเองออกมาเป็นอีกนิกายหนึ่ง ความรุนแรงของการปฏิรูปศาสนามันรุนแรงมากขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นคณะใหม่คณะลูเทเลนและต่อมานะคะก็มีนักปฏิรูปที่สำคัญอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นอุลิกสวิงลีจากสวิตเซอร์แลนด์จอห์นคาวิงจากฝรั่งเศสหรือว่าจอห์น็อกจากสกอตแลนด์แต่ละคนก็ออกมาเป็นนิกายโปรเตสแตนต์พี่น้องคะการอ่านพระวจนะของพระเจ้าการใช้เวลากับพระเจ้านะครับโดยการอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ เป็นสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของเราเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณและจะทําให้เรามีชีวิตที่เป็นพยานกับพื่นบ้านของเราได้พร้ชนะของพระชามีลเดตเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราได้เช้าวันนี้นะครับเรื่องราวของลูเทอร์นะครับนอกจากจะหนุนใจเราทั้งหลายแล้วนะครับในการที่จะต่อสู้แยกแยะคําสอนผิดคําสอนถูก เวลานั้นนะลูทูตต่อสู้กับมหาอํานาจนะครับที่สามารถฆ่าเขาได้นะครับเขาต่อสู้กับคนรอบข้างและต่อสู้กับคุณพ่อนะ ค, คนในครอบครัวที่ไม่เข้าใจกันทรงเรียกพระชาของเขานะครับแต่ว่าพระเจ้าอยู่ด้วยเสมอนะครับดังนั้นการประตูรูปนี้จึงนําไปสู่คําสอนที่ถูกต้องเรียนขออนุญาตพูดนะเพราะเมื่อเดือนที่แล้วเรามีการฉลองโดยสภาคิจักในประเทศไทยเมื่อ3าตุลาคมที่ผ่านมานะครับ ปีนี้นะครับมีการปรองดองสา ม, มัคคีกัน ร, ระหว่างนิกายโรมันคาทอลิกและนิกายโปรเตสแตนต์นะคะปีนี้มีการร่วมลำเลึกถึงโดยการจัดทําหนังสือนะคะในภาพต่อไปนะครับเราจะเห็นนะครับเป็นหนังสือถแถลงการร่วมเรื่องการเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อนะครับระหว่างคาทอลิกกับลูเทเลนมีหนังสือแจกนะคะถ้าใครไม่ได้รับก็ไปรับได้ที่สภากิดจักรอีกเล่มหนึ่งก็คือเสาหลักไฟ า, าสโซ拉斯นะครับเป็นหนังสือที่เขียนโดย ยังไม่ได้มีอยู่ในภาพโชว์อันนี้นะคะหนังสือ5เสาหลักของนิกายโพเตสแตนตะ์พูดถึงพระคัมภีร์เท่านั้นความเชื่อเท่านั้นพระคุณเท่านั้นพระคิดเท่านั้นและการมีชีวิตอยู่โดยถวายพระสิริสูงสุดแด่พระเจ้าเท่านั้นนี่คือห้าเสาหลักความเชื่อของนิกายโปรเตสนต์นะคะมาถึงสุดท้ายแล้วค่ะพี่น้องเรื่องทั้งหมดนี้ที่เล่าก็เพื่อที่จะขอบคุณพระเจ้านะครับ ในเดือนที่เราขอบคุณพระเจ้าและในปีที่เรา ล, ำล้ลำลึกถึง500ปีพระคัมภีร์สู่สามัญชนดิฉันอยากจะใช้เวลานี้นะครับประชาสัมพันธ์นะครับงานต่อเนื่องจากสิ่งที่ลูเทอร์ได้ทำไว้นั่นคือโครงการ500ปีพระคัมภีร์สู่สามัญชนถ้าเราดูสไลด์ไปด้วยกันนะคะขอบคุณมากค่ะ โครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่เราทําขึ้นนะครับเนื่องจากว่าสมาคมพักคิดทำไทยเนี่ยมีการจัดทําแข่งขันซูเปอรจ์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภี์พวกเราเคยได้ยินโครงการนี้ไหมคะเชื่อไหมคะโครงการนี้ทํามาแล้วสิบปีปรากฏว่านักเรียนที่เข้ามาแข่งโครงการซูเปอรจ์จิ๋วเจาะโลกพรคัมภีร์กว่าห้เซไม่เป็นคริสเตียนจากการหลังจากการแข่งขันจากการอ่านพระคัมภีร์แล้วแข่งขันนะคะนักเรียนที่ไม่เป็น ที่เป็นคนพุทธเนี่ยนะครับขใจรับเชื่อมาเชื่อไหนพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าพระชนะของพระเจ้ามีฤทธิ์เดชเด็กเหล่านี้นะครับบอกว่าพระคัมภีร์นั้นสนุกดังนั้นงคงสมาคมพักคีธรรมจึงตั้งใจที่จะทำตัวเล่มพระคัมภีร์เล่มนี้นะครับเป็นพระคัมภีร์สําหรับโรงเรียนหนึ่งเล่มต่อหนึ่งโรงเรียนนะครับเป็นปกแขงขอบทองข้างในมีภาพประกอบหกร้อกว่าภาพ และที่พิเศษก็คือว่าเราจะเพิ่มสามหน้ากระดาษพูดถึงศา ส, สนาคิดนิกายโปรเตสแตนราคาพระคัมภีร์นะคะก็คือเล่มละ 1,000 บาทหนึ่งเล่มต่อหนึ่งโรงเรียนในสไลด์ถัดไปนะคะเราจะเห็นที่ฉันอยากให้เราดูนิดนึงนะคะเด็กๆนะครับจากโครงการอันนี้เขาติวกันนะฮะเตรียม ต, ต, ตัวเข้าสอบเขาบอกว่านะครับอ่านพระคัมภีร์แล้วสนุกในสไลด์ถัดไปนะคะ อีกอันนึ่งค่ะจากอ่า น, านจากการวิจัยนะปีนี้เราทําวิจัยถามเด็กว่าอ่านพระคัมภี์จากมือถือหรือจากเล่มพระคัมภีร์อันไหนดีกว่าไม่น่าเชื่อนะคนที่ติดมือถือคือผู้ใหญ่นะไม่ใช่เด็กเด็กบอกว่าอ่านจากพระคัมภีร์ดีกว่าอ่านจากแอปในมือถือในสไลด์ถัดไปนะคะเมื่อเราถามเด็กว่าชอบอ่านที่มีแต่ตัวหนังสือไม่มีรูปภาพหรือชอบอ่านแบบมีรูปภาพ เด็กส่วนหนึ่งตอบว่าไม่มีรูปภาพก็ดีทําให้จินตนาการได้เองสนุกกว่าแต่บางคนก็บอกว่าพระคัมภีร์มีรูปภาพด้วยก็ดีทําให้นึกออกว่ามันจะเป็นประมาณไหนดังนั้นพระคัมภีร์เล่มนี้นะครับจึงมีทั้ง2แบบตอบสนองความต้องการของเด็กทั้งสองกลุ่มได้สไลด์ถัดไปนะคะเราจะเห็นว่าอันนี้เป็นตัวอย่างเด็กนักเรียนปห้านะคะเด็กคนนี้นะคะรับเชื่อพระคัม รับชื่อพระเจ้าจากพระธรรมสองพงกษัตร์ผู้เราเคยอ่านสองพงกษัตริย์ไหมคะมีใครเคยอ่านสองพงศษ์มั้งสองพงศษ์เราเคยใช้สองพงกษัตริย์ประกาศเรื่องพระเจ้าไหมคะไม่เคยเนาะเด็กคนนี้บอกว่าทําไมเชื่อพระเจ้าจากพระธรรมสองพงกษัตริย์เขาบอกว่าพวกในนั้นมีแต่กษัตรย์เลวๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าแม่ว่ามีกษัตริย์เลวๆมากมายเลยแต่ว่าพระเจ้าก็ยังรักมนุษย์ ดังนั้นเขาอยากจะเชื่อพระเจ้าแบบนี้น่าประทับใจมากนะครับสไลดถัดไปนะเป็นตัวอย่างของเด็กคนหนึ่งนะอันนี้เป็นเด็กมัธยมนะคะมสองเด็กคนนี้ยังไม่ได้เป็นคริเสเตียนแต่ช่วงหนึ่งของการสัมภาษณ์เด็กคนนี้บอกว่าเมื่อก่อนเวลาจะทําอะไรเนี่ยก็ทําเลยไม่คิดอะไรมากแต่หลังจากที่อันพะคมพีเข้าโครงการแข่งซุปเปอรจ์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ของเราแล้วเวลาจะทําอะไรเขาต้องยับยั้งชั่งใจมากขึ้น เขารู้สึกว่าถ้าอันนี้ไม่ดีพระเจ้าไม่ชอบเขาก็จะไม่ทําในสไลด์ถัดไปนะคะพี่น้องคะโรงเรียนรัฐบาลนะคะระดับประถมและมัธยมทั่วประเทศไทยมีทั้งหมด3 4มหมแห่งหากเป็นไปได้นะครับเราอยากที่จะเห็นผูชนะของพระเจ้านะครับพระคัมภีร์อยู่ในห้องสมุดทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทยอยากเชินชวนให้พวกเราถ้าเรามีพละใจอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งสามารถที่จะ เดินไปเมื่อออกจากห้องประชุมนี้นะคะหยิบแผ่นนี้เพื่อที่จะอ่านรายละเอียดและถากท่านมีภาระใจท่านสามารถที่จะถวายตามรายละเอียดด้านหลังได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราเชื่อมั่นนะคะว่าผูาชนะของพระเจ้ามีฤทิ์เตชวันนี้หากท่านมีภาระใจร่วมส่งต่อผูชนะของพระเจ้าครบห้าร้อปีพระคัมภีร์สู่สามัญชนขอบพระคุณพระเจ้านะคะเดนนี้ และปีนี้เราได้มีโอกาสที่ล้ำลึกถึงการที่ผัชนะของพระเจ้าได้รับการอ่าน Holy Bible พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อ่านเฉพาะคนที่เป็นบาทหลวงคนที่เป็นศิษยาภิบาลคนที่เป็นอาจารย์เท่านั้นแต่คนธรรมดาธรรมดาอย่างเราทุกคนก็สามารถอ่านได้และคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็สามารถอ่านได้เพื่อที่เขาจะรู้จักพระเจ้าผ่านภัชนะของพระองค์ขอเวลานี้เราร่วมใจกันอธิษฐาน สาธุการค่าแต่พระฤาเีเจ้าข้าขอบพระคุณพระองค์เจ้าสําหรับเดือนนี้ที่เราได้มีโอกาสที่จะลําลึกขอบพระคุณพระองค์เจ้าสําหรับชีวิตของเราสิ่งดีทั้งหลายที่พระเจ้าให้กับชีวิตของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์พระเยซูคริสที่พระเจ้าทรงประทานเป็นของขวัญให้กับมนุษย์ทั้งหลายทุกคนทั่วโลกและขอบพระคุณพระองค์เจ้าเป็นพิเศษสําหรับปี500ปีในปีนี้จาก1517ถึง2017 ที่เราได้มีการที่ล้ำลึกถึงการปฏิรูปศาสนาและคิดถึงการที่พระองค์เจ้าทรงโปรดเปิดโอกาสให้พระคัมภีร์นั้นอยู่ในภาษาที่คนธรรมดาธรรมดาสา ม, มารถจารได้อธิษฐานขอบพระคุณพระองค์เจ้าขอพรชนะของพระองค์เจ้านั้นเกิดผลในชีวิตของเราและทุกๆคนที่ไม่รู้จักพระองค์และได้อ่านให้พระพระชนะของพระองค์เปลี่ยนแปลงจิต ใ, ใจเขาเหล่านั้นให้รู้จักพระองค์เจ้าด้วยเหมือนอย่างเขาหนึ่งหลายด้วยเช่นเดียวกันอธิษฐานขอบพระคุณพระองค์เจ้าอีกครั้งหนึ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า amen ข้าอพอุปรพรทุกท่านค่ะ